คุณผู้ฟังช n แนลบน YouTube คุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านคะวันนี้บีมีเรื่องมาเล่าคะ่ะจากทางด้านของครูบาอาจารย์วัดป่านะคะหรือว่าฝ่ายธรรมยุทธ์ค่ะนั่นก็คือหลวงปู่ฟั่นอาจารโรในชีวิตการท่องทุดงไปตามป่าตามเขาของท่านนั้นก็มักจะได้เจอะเจอกับความเร้นลับของป่าเป็นประจำ อย่างเช่นคราวนี้อ่ะเป็นเรื่องราวของผีกองกอยที่ครั้งหนึ่งท่านเองก็เคยเจอกันมาแล้วตอนที่ไปพักเจริญธรรมที่ไร่ของข้าบรีคนหนึ่งในดงพญาไฟเช่นกันค่ะ คราวนี้ท่านพาคณะพระภิกษุและก็สัมมนเนนออกท่องเที่ยวหาที่สงบเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ว่าครั้งนี้หลวงปู่ท่านทุดงเดี่ยวหวังจะไปจังหวัดสระบุรีแต่ว่าต้องผ่านดงพญาไฟซึ่งตำนานความลึกลับเล่าขานกันอย่างหน้าขนลุกขนพองเกี่ยวกับความเร้นลับของป่าออกมาปรากฏตัวให้เห็นในยามค่าคืนเพื่อหลอกหลอนให้กลัวและเพื่อสูบเลือดสูบน้องเป็นอาหาร หลวงปู่ฟ้านอาจารโรค่ะท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ผู้เจริญด้วยธรรมพร้อมด้วยประสบการณ์ในการออกท่องเที่ยวทุดงไปตามป่าเขาของท่านแล้วหนึ่งในประสบการณ์ของหลวงปู่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับผีกองกอยด้วยแรกๆก็คิดนะะว่าเออเรื่องของผีกองกอยเนี่ยแม่เคยเล่าให้ฟังนี่นาะแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามันเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็อยู่ที่ไหน หน้าตาของผีกองก้อยนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าพอเจอในหนังสือประวัติของหลวงปู่ค่ะก็เลยขอโอกาสให้บีเนี่ยได้รู้เรื่องจริงเกี่ยวกับผีกองก้อยโดยที่หลวงปู่ฟ้านเองท่านก็ได้จดบันทึกไว้นะคะว่าครั้งหนึ่งนะคะหลวงปู่เนี่ยได้อยู่จำพรรษาที่จังหวัดนครราชสีมาพอออกพรรษาทีท่านก็จะออกทุดงไปตามป่าตามเขาไกลบ้างใกล้บ้า ง, างเพื่อสแสวงหาสถานที่สงัดเงียบในการเจริญธรรมกรรมฐานเพื่อให้หลุด พ้นออกจากวัดตะก็คือการเวียนไหวตายเกิดสู่โลกแห่งนิพพานบางคราวนะคะท่านก็จะทุดงกรรมาฐานไปแถบจังหวัดสระบุรีซึ่งในยุคนั้นการคมนาคมไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้รถไม่มีถนนหนทางก็มีแต่เฉพาะทางเกวียนการเดินทางไปมาหาสู่กันก็เลยเต็มไปด้วยความยากลำบากค่ะ ดงพญาไฟเย็นในวันนี้เมื่อก่อนเขาเรียกกันว่าดงพญาไฟยุคนั้นต่างก็ร่ำลือกันล่ะค่ะว่าในดงพญาไฟเนี่ยเต็มไปด้วยอันตรายอันเกิดจากความอาถรรพ์ลึกลับของป่าแล้วก็สิงสาราสัตว์ ใครก็ตามสามารถเดินผ่านเขาลูกนี้ไปได้ถือว่าเก่งแต่ว่าส่วนมากนะคะหากนอนคร้างแรมแล้วก็เหลือรอดชีวิตไปได้น้อยมากเลยนะคะเพราะว่าความโหดร้ายของป่าจากคาเล่าลือของชาวบ้านไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าพระองค์ก็เลย อาจจะเห็นนะคะว่าอาจจะเป็นไปได้ในที่ชื่อดงพญาไฟ น, นั่นเนี่ยมันเป็นชื่อที่ไม่มงคลพระองค์ก็เลยพระราชทานชื่อดงพญาไฟใหม่ว่าดงพญาเย็นค่ะและมันก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็มหศัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อหลังจากเปลี่ยนชื่อเป็นดงพญาเย็นแล้วความสงบเยือกเย็นก็เป็นไปตามชื่อของมันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจก็หายไปเหลือเพียงตำนานอันน่าหวันไหว ตอนที่หลวงปู่ฟ้่นมาเจอผีกองกอยถึงสองครั้งสองครานั้นดงพญาไฟยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นดงพญาเย็นแต่ประการใดคราวนั้นนะคะหลวงปู่ก็ตั้งใจแล้วค่ะว่าจะไปจังหวัดสระบุรีแต่ระยะทางจากจังหวัดนครราชสีมาไปจังหวัดสระบุรีนั้ น, น, นเนี่ยไกลกันมากคราวนั้นท่านก็เลยต้องเดินทางไปได้แค่ทับกวางเลยทับกวางห่างออกไปเพียงแค่3กิโลเมตรพระอาทิตย์ก็เริ่มที่จะลับยอดไม้ไปแล้ว ท่านก็เลยหาทำเลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะกางมุงกลดท่านเองก็ไม่รู้ว่าป่าแห่งนี้เนี่ยมันมีความเร้นลับของป่าซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆหลวงปู่ท่านก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเดินป่ามาแล้วอย่างโชคชนแทบจะทุกป่าท่านก็เลยไม่ประมาทนะคะเพราะว่าการอยู่ป่าจะต้องมีสมาธิมีสติปัญญาศีลธรรมและนี่ก็คืออาวุธลับที่จะเอาชนะความเร้นลับแล้วก็ความโหดร้ายของป่าได้นะคะ นั่นก็คือธรรมะค่ะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือความเมตตาความการุณาและก็ความปราณีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งมีตัวตนและก็ไม่มีตัวตนทั้งที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ทุกครั้งหลังการเจริญภาวนาหลวงปู่เองก็จะแผ่เมตตาบารมีส่งไปให้กับสรรพสัตว์และก็วิญญาณทั้งหลายที่ยังหลงมัวเมาอยู่ในหลุมแห่งกิเลสได้เกิดความชุ่มเย็นในจิตใ จ, จลดความพยาบาทอาฆาตลง นี่คือพระคาถาวิเศษที่ท่านมีไว้ในหัวใจของท่านท่านเองก็เลยไม่ได้หวั่นไหวกับพยันตรายใดๆทั้งสิน้นหลวงปู่นั่งเจริญภาวนาอยู่ภายในกรดจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึง18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นนั่นละค่ะป่าพื้นใหญ่ก็เข้าสู่ความวิเวกวังเวงสัตว์ป่าที่ออกหากินตอนกลางคืนก็พากันส่งเสียงร้องเรียกหากันแล้วก็ออกจากที่ซ่อนตัวเมื่อตอนกลางวัน มันเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาที่ธรรมชาติกำหนดให้เป็นไปดังนี้สำหรับหลวงปู่ท่านก็ดำเนินบนวิถีชีวิตของท่านเช่นกันก็คือการเจริญภาวนาให้จิตว่างเพื่อดับกิเลสอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติมาทุกค่ำคืนแต่ว่าในบัดดลนั้นเองค่ะก็มีเสียงประหลาดดังกึกก้องสถานป่าทาลายความเงียบไปในทันทีเสียงนี้มันเป็นเสียงที่ร้องดังมากเลยร้องแบบก้อง ก, ก้องอย่างนี้เลยนะคะคือมันเป็นเสียงที่ท่านได้เคยสัมผัสมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเสียงของมันดังฟังชัดจนหน้าขนลุกหลวงปู่ก็เลยต้องลืมตาขึ้นดูก็เห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอท่านหลับตาจะภาวนาต่อเสียงนั้นมันก็ดังกังวานขึ้นมาอีกครั้งเหมือนมันมีเจตนานะคะว่าจะรบกวนสมาธิของท่านจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะทั้งป่าก็ถูกความมืดเข้าครอบคลุมไว้หมด หลวงปู่ก็เลยได้จุดเทียนเพื่ออาศัยความสว่างแต่ท่านก็ไม่ได้หยุดที่จะค้นหานะเจ้าของเสียงที่มารบกวนเนี่ยคืออยู่ตรงไห น, นมุมไห น, นท่านก็อยากจะรู้นะักว่ามันคืออะไรกันแน่และสิ่งประสงค์ที่มันต้องการคืออะไรแสงเทียนพอจะมองเห็นอะไรต่อมีอะไรในรัศมีแคบๆเท่านั้นแต่เมื่อแสงไฟสว่างขึ้นเสียงร้องนั้นเนี่ยมันก็หายไปค่ะหลวงปู่ท่านก็เลยลองดับไฟลง เสียงร้องดังก้องๆ้องก็ดังขึ้นอีกท่านก็เห็นว่าอมันน่ารำคาญก็เลยไม่ได้สนใจกับเสียงร้องนั้นต่อไปอีกอยากจะร้องก็ร้องไปเมื่อมันเห็นว่าหลวงปู่ไม่ได้ให้ความสนใจในเสียงร้องของมันมันก็เหมือนกับมีเจตนาจะยั่วยุให้หลวงปู่โมโหจนเสียสมาธิมันก็ขยับเสียงมาร้องใกล้ๆมุ้งกรดของท่านค่ะหลวงปู่ก็เลยได้ตั้งสมาธิจนจิตมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวเพ่งไปยังที่มาของเสียง ไม่พบสิ่งแปลกปลอมใดเลยนอกเหนือจากดวงตาสีแดงคู่หนึ่งของสัตว์ป่านอกนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรให้สงสัยแต่ว่าในขณะที่หลวงปู่กาลังส่งกระแสจิตสํารวจอยู่ น, น, นั้นก็มีเสียงร้องดังก้องๆ้องขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าคราวนี้มันร้องดังสะท้านไปทั้งป่าเลยเสียงของมันเนี่ยประหนึ่งเหมือนเป็นมนต์สะกดสัตว์ป่าที่ออกหากินทั้งหลายทั้งปวงให้ตกอยู่ในอํานาจแห่งเสียงของมันความเงียบจนกลายเป็นความวังเวงค่ะ แม้แต่เสียงจิ้งหรีดไพรยก็พากันเงียบไปชั่วขณะจนต่อมาได้มีเงาดำวูบหนึ่งมาใกล้มุงกลดแล้วก็หายไปทันทีหลวงปู่ก็เลยเพ่งกระแสะจิตไปยังเจ้าเงาดำอย่างเจาะจง มันคงตกใจนะฮะที่ไม่อาจจะต่อกรอกับพลังอำนาจจิตของหลวงปู่ได้มันก็เลยรีบหนีอย่างรวดเร็วแล้วไม่ย้อนกลับมาอีกตลอดทั้งคืนจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นของวันใหม่หลวงปู่ก็ได้ออกบินทบาทตามหมู่บ้านที่อยู่บนเชิงเขาท่านก็เลยถือโอกาสสอบถามชาวบ้านถนึงเสียงที่ท่านได้ยินว่ามันคือเสียงของอะไรเคยมีใครเห็นตัวมันบ้างไหมชาวบ้านที่ประสบเหตุการณ์แบบนั้นมาในการเดินป่าแล้วก็อยู่กับป่ามานานก็เลยเล่าให้หลวงปู่ฟังบอกว่า เสียงที่มันมาร้องดังก้องก้องก้องเนี่ยมันเป็นเสียงของผีกองกอยมันเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนสัตว์ป่าชนิดอื่นเพราะว่าผีกองกอยเนี่ยมันเป็นสัตว์ลึกลับสามารถแปลงกายได้คนเดินป่าทั้งหลายต่างรู้ฤทธิ์ของมันดีมันน่ากลัวกว่าผีอื่นๆมากมายก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้บ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะผีกองกอยจะย้ายถิ่นไปอยู่ป่าไหนอีกที่จริงผีกองกอยมีก็ดีนะคะจะได้เล่นงานพวกที่แบบขโมยตัดต้นไม้ให้เขตเลย ถ้าผีกงกอยยังอยู่ป่าก็ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะผีกองกอยที่หลวงปู่เจอครั้งก่อนเนี่ยชาวบ้านเรียกมันว่านกไม้หอมเพราะถ้ามันร้องที่ไหนที่นั่นจะต้องมีต้นไม้หอมแน่นอนชาวบ้านว่าอย่างนั้นนะคะแต่ผีกองกอยคราวนี้เนี่ยชาวบ้านไม่ได้เรียกมันว่านกไม้หอมนะเขาเรียกผีกองกอยเต็มๆ เ, เลยละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หลวงปู่ฟ้นอาจารโรพระเกจิ ทางภาคอีสานได้ไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์ผีกองกอยมาก่อกวนไม่ให้หลวงพ่อท่านเข้าสู่สมาธิในการเจริญธรรมกรรมฐานเมื่อครั้งที่หลวงพ่อได้ออกเดินธุดงที่ดงพญาไยจังหวัดสระบุรีค่ะมีอีกเรื่องราวนึงนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ฟ้านอาจาร์โรค่ะเป็นเรื่องราวของเงาดาลึกลับ เรื่องนี้ได้มาจากคุณลุงแก้วแต่ว่าไม่ทราบนามสกุลซึ่งเป็นผู้สูงวัยที่มีถิ่นกาเนิดอยู่แถวนั้นเพราะว่าตอนที่ได้ข้อมูลนี้เนี่ยลุงแก้วอายุ 80-90 ปีแล้วนะคะส่วนจะมีความคุ้นเคยใกล้ชิดกับหลวงปู่ฝ้านอาจารย์โรมากน้อยเพียงใดก็ไม่ได้มีไว้ในบันทึกเช่นกัน แต่ว่าถ้าพิจารณาดูก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะว่าลุงแก้วคนนี้เนี่ยต้องเป็นคนหนึ่งที่มีความคุ้นเคยแล้วก็มีความสนิทสนมกับหลวงปู่พอสมควรแก่ก็เลยได้เล่าตามที่รู้เห็นมาด้วยตนเองทั้งสิน้นเรื่องของเงาดาลึกลับนี้เนี่ยลุงแก้วได้ให้รายละเอียดพอสมควรดังนี้ค่ะในระหว่างที่หลวงปู่พัชจำพรรษาอยู่ที่วัดสะแก้ว ซึ่งตอนที่หลวงปู่ฟ้านอาจารโอมาพักจำพรรษาที่นั่นยังเป็นวัดร้างไม่มีพระเนนไม่มีแม่ชีอาศัยอยู่แม่แต่องค์เดียวมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะคะในจังหวัดสกล น, นครค่ะที่รู้ว่าที่นี่เป็นวัดเก่าก็เนื่องมาจากยังมีศาลาเก่าที่ผุพังแล้วก็เป็นรังของพวกปลวกแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์ต่างๆมีเถาวันเลื้อยขึ้นปกคลุมบริเวณรอบศาลาก็เต็มไปด้วยกอหญ้าขึ้นรบชัดไปหมด นอกจากศาลาแล้วก็ยังมีบ่อน้ำซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย สถานที่เช่นนี้พระปฏิบัติอย่างหลวงปู่แล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เป็นที่เหมาะสำหรับเป็นสถานที่เจริญภาวนาเพราะว่าเงียบสงัดแล้วก็มีแหล่งน้ำสำหรับบริโภคผู้คนไม่มาพลุกพล่านเพราะว่าปกติแล้วคนทั่วไปจะกลัววัดร้างนะคะคือเข้าใจกันว่าวัดร้างทุกแห่งเมื่อขาดพระสงฆ์องค์เนรเพื่อที่จะอยู่อาศัยแล้วสิ่งที่เข้ามาอาศัยอยู่แทนคือพวกผีพวกวิญญาณพวกเปรตอสุรกาย และก็พวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนค่ะก็เลยทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยต่างไม่ยอมที่จะเดินผ่านวัดร้างดังกล่าว คือเอาจริงๆนะคะคุณผู้ฟังชาวบ้านชาวช่องก็อาจจะกลัวกลัวว่าจะมีเสียงอะไรดังตึงตังโครมครามออกมาจากศาลาหรือว่าเสียงประตูเปิดปิดป ด, ดังแอดนะคะคนที่มีความรู้สึกกลัวอยู่แล้วนี่ก็ไม่ได้ทันสังเกตอะไรทั้งนั้นบางทีนะอาจจะเป็นสัตว์หรือว่าเสียงพัดเสียงลมพัดประตูเปิ ด, ป, ด, ป, ดปิดก็ได้แค่นี้ก็เพ่นไปแล้วเพราะเข้าใจว่าเป็นผีหลอกไปโน่น แบบนี้เขาเรียกว่าคนขาดสติขาดการไตรตรองอย่างในเรื่องเงาดำที่บีจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ค่ะในคืนหนึ่งนะคะขณะที่หลวงปู่ฟั่นกำลังนั่งสมาธิปล่อยใจให้ว่างอยู่นั้นท่านเองก็มีความรู้สึกว่ามีเงาดำเนี่ยหล่นตุบลงมาจากเพดานของศาลาวัดที่ท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่หลวงปู่ก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมามองดูนะแต่ว่าท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านได้ออกติดตามเงาดานั้นไปเรื่อย จนไปถึงสระน้ําหรือบ่อน้ําซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังมีน้ําอยู่เต็มไปหมดเลยเงาดํานั้ น, นก็ได้หายวูบลงไปในสระท่านก็ได้ใช้กระแสะจิตเพ่งตามลงไปสํารวจดูนะฮะว่าในสระนเนี่ยมีอะไรท่านก็พบขวดโหลแบบโบราณ2อใบจมอยู่ในก้นสระสิ่งที่อยู่ในขวดสองใบนั้นหลวงปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรแต่เมื่อไปถึงขวดโหล2ใบนั้นเงาดําก็ได้พาท่านย้อนกลับขึ้นมาพาท่านไปยังเจดีซึ่งเก่ามากๆอยู่ภายในบริเวณวัด ท่านก็ได้เพ่งกระแสะจิตดูพอรู้ว่าในใจดีนั้นเนี่ยเป็นกระดูกอยู่สองกองค่ะแล้วก็ได้รับคำตอบว่ากระดูกสองกองนี้เป็นกระดูกของพระยานิกิจเจ้าเมืองเก่าจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นผู้สร้างวัดสะแก้วด้วย พอรุ่งเช้าวันใหม่หลวงปู่ท่านก็นําเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปเล่าให้ญาติญาติของพระยาพิ่นิดซึ่งมีชีวิตอยู่ได้ทราบนะคะแล้วก็พาพวกญาติญาตินี่ก็พากันงงเลยค่ะว่าเอ๊ะหลวงปู่ท่านทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่ท่านเห็นในใจดีนั้นเนี่ยเป็นกระดูก ข, ของอดีตเจ้าเมืองสกลนครแม้ญาติญาติจะถามหลวงปู่ก็คงไม่ตอบเพราะว่าท่านตอบก็คงไม่มีใครเชื่อถือว่าเป็นการเงียบบางครั้งจะมีคุณค่ามากกว่าการพูด ตามประวัติที่บันทึกไว้นะคะว่าพระยาพินิษในอดีตนั้นเนี่ยท่านคือเจ้าเมืองจังหวัด ส, สกลนครท่านเคยเดินทางไปทำมาค้าขายกับเมืองแพร่ตอนขากลับท่านได้นำพระชินอ่าเขาเรียกว่าพระชินเขียวขนกลับมาที่สกลนครท่านก็ได้บอกบุญกับพวกที่มีจิตศรัทธาหลายองค์หลายคนค่ะให้เช่าองค์ละห้าสตางค์ 5าสตางค์ก่อนนี่ถือว่ามากโขกันเลยทีเดียวนะคะโดยที่เงินนะคะที่ได้จากการเช่าพระทั้งหมดท่านได้นำมาสร้างวัดสะแก้วค่ะซึ่งต่อมาหลังท่านเสียชีวิตลงไปแล้วบรรดาลูกหลานก็ขาดความเอาใจใส่ประกอบกับพระสงฆ์แล้วก็สามนเณรไม่มาจาพรรษาในวัดสะแก้วก็เลยได้กลายเป็นวัดร้างแต่ว่าในปัจจุบันนี้พื้นที่ของวัดสะแก้วทั้งหมดนะคะได้สร้างเป็นโรงพยาบาลสกลนครแล้ว กุศลผลบุญในการบริจาคที่ดินวัดเพื่อสร้างโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่จะส่งผลให้พระยาพินิจไปเกิดในสุขติภูมิที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขนะคะนี่ก็เป็นอีกบันทึก หน้าหนึง่งนะคะที่หลวงปู่ฟ้นอาจารย์โรท่านได้มองเห็นถึงเงาดำนะคะที่พาท่านลงไปที่บ่อน้ำแล้วก็พาไปดูที่เจดีค่ะก็ได้รู้ว่าเป็นกระดูกของเจ้าเมืองสกลนครซึ่งเป็นเจ้าเมืองเก่านั่นเองค่ะทีนี้บีจะมาทิ้งท้ายกันในคลิปนี้นะคะด้วยเรื่องของผู้ที่ไปเจอเจอ ผีแขกตอนกลางวันแสกๆเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะได้ถูกบันทึกไว้โดยคุณวิทยาศรีธัญรัตน์ค่ะเมื่อปี2529โดยเฮียบัตคลองตันชวนไปสุรินทร์ก็เลยชวนสิงตีก็คือคุณวิทยาศรีศรีธัญรัตน์นี่ไปด้วยก็คือเป็นสามสิงค์องนาเลยที่จะไปคนองที่จังหวัดสุรินทร์นะคะต่อไปนี้เนี่ยคือคนองไม่ออกเป็นเวลานานเลยทีเดียว รถไฟออกจากหัวลําโพงแต่เช้าชึกชักชึกชักชึกชักไปเรื่อยเปลือยจนถึงสถานีที่สุรินทร์ก็บ่ายแล้วหลังจากได้ที่พักได้โรงแรมได้อะไรก็จําไม่ได้นะคะก็สวยโอกาสที่เหลือก่อนจะมืดค่ําออกเดินเที่ยวชมซะหน่อยเดินมั่วไปทั่วที่นะคะจนเริ่มเมื่อยแข้งเมื่อยขาเฮียบัตก็เลยนึกอยากกินลาบน้ําตกซกเล็กขึ้นมาเอยปากลอยๆว่าไปหากินให้หายอยากกันเถอะสิงตีก็เป็นคนเดียวที่เคยมาสุรินทร์ก็ขานรับรู้จักร้านลาบ น้ำตกอร่อยๆ อ, อ, ยอยู่เจ้าหนึ่งขณะนั้นก็ยืนอยู่หน้าประตูโขงวัดอะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันแดดก็อ่อนแสงมากละเรียกว่ากำลังจะเข้าเขตเวลาของผีไม่ลูกอ่อนออกมาตากพระอ้อมคุณวิทยาคนที่เล่าเรื่องนี้ไว้นะคะก็เลยบอกว่าผมว่าเดินทะรุวัดนี้จะใกล้กว่าเดินอ้อมนะเออคนที่ชำนาญทางก็คือบอกไว้อย่างนั้นนะคะก็งั้นมึงนาไปละกันเฮียบัตผู้มีบัญชาค่ะวัดกลางเมืองวัดนี้ มีพื้นที่ไม่ถึงกับกว้างขวางนักเพียงเดินทะลุประตูผ่านโบสถ์เป็นนิดเดียวก็เข้าเขตหลังวัดแล้วก็เป็นป่าช้าซึ่งมีต้นไม้รกคลึ้มพอสมควรมีทางเดินเท้าเล็กๆคดเคี้ยวเลี้ยวซอกแทรกผ่านหลุมศพแบบที่เขาก่อปูนตั้งอยู่บนพื้นดินปนเปน ก, นกันกับหลุมชนิดฝังจมดินนะฮะเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทางมองไปข้างหน้าทะลุแนวต้นไม้ซึ่งเป็นรั้ววัดตามธรรมชาติก็เห็นพื้นที่โล่งโจ้งเหมือนสนามฟุตบอลสว่างแจ้่ ลอดช่องโหวของต้นไม้พลอมแพลมอยู่ข้างหน้าคาดคะเนว่าไม่น่าจะเกิน50เมตรค่ะสามสิงค์คองนาเนี่ยก็จะเดินทะลุพ้นป่าช้าไปแล้วแต่ว่าบัตรดนคุณผู้ฟังแขกอินเดียรูปร่างสูงใหญ่โพกหัวขาวเหมือนแขกซิกนุ่งชุดขาวทั้งตัวโผพรวดมาจากไหนก็ไม่รู้แขกตัวใหญ่ผู้นี้ เ, เดินสวนมาบนทางเท้าเล็กๆที่ทุกคนต้องเดินแถวเรียงหนึ่งเท่านั้น เขาเดินส่วนมาแบบไม่สนใจว่ามี3มคนนี้เนี่เดินอยู่บนถนนเช่นกันสายตาเย็นชามองข้ามหัว3าสิงห์ขนองนาไปข้างหน้าไม่แม้แต่จะเหลือบแลมองเหมือนไม่มีเราอยู่ในสายตาอย่างนั้นแหละชายผ้าคลุมไหล่นิปลวกพือเหมือนในหนังเลยนะคะโดยไม่มีทีท่าว่าจะชะ ง, งักหรือว่าจะหลบหลีกให้ให้3คนเนี่ยก็เลยต้องเป็นฝ่ายหลบหลบทางแขกแล้วก็รีบก้าวเท้าหนีออกไปยืนอยู่นอกทางให้แขกลึกลับเนี่ยเดินผ่านไป แต่ว่าขณะที่ผ่านก็เห็นถนัดน ะ, ะว่าเออเรานี่สูงแค่หัวไหล่แขกเท่านั้นตอนนี้เลยค่ะ3มสิงค์ขนองนาก็าขนองนาไม่ออกละเพราะว่าแขกผู้นี้เนี่ยเดินผ่านน่าจะจะโดยที่เท้าไม่ติดพื้นพอถึงต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าก็หายวับไปกับตาค่ะ3สิงห์นี่เงียบกริบเลยก้มหน้าก้มตาเร่งฝีเท้าจนเกือบจะวิ่งเพ่นออกไปให้พ้นป่าช้าทันที พอพ้นเขตวัดไม่ทันจะหายตกใจสิงตีก็ปากสั่นคอสั่นบอกแ ข, ก, แขกนั่นผมว่าเออกูรู้แล้วกูรู้เฮียบัตตัดบทไม่ให้พูดต่อเคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครฟังหลายคนหลายวาระเหมือนกันก็มีบางคนวิจารณ์ว่าเออเราตาฝาดก็ได้ซึ่งเออก็คงจะจริงเหมือนกันทั้งสามคนก็เลยตาฝาดพร้อมกันเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาแล้วหลายปีน ะ, ะจังหวัด ส, สุรินที่ก็กลายเป็นเมืองที่ต้องไปมาบ่อย แต่กลับหาความแน่ใจไม่ได้ว่าวัดกลางเมืองอะไรกันที่เราเจอผีแขกกลางวันแสกๆพร้อมกันทีเดียวสมคนมีวัดหนึ่งชื่อว่าวัดชุมพลที่พิจารณาดูแล้วว่าใกล้เคียงกับวัดนั้นที่สุดแต่ก็ไม่ได้ฟันธงนะคะเจ้าถิ่นสุรินเอ่ยปากว่าวัดชุมพลเนี่ยขึ้นชื่อว่าผีดุอยู่แล้วแหละคนสุรินรุ่นเก่าๆเนี่ยเขารู้จักกันดี คนรุ่นนั้นเนี่ยโโดนผีหลอกที่วัดนี้นับไม่ถ้วนปัจจุบันนี้เมืองสุรินทร์นี่เจริญมากเลยค่ะ ผีคงจะเชื่องไปเยอะไม่ออกมาหลอกไม่ออกมาหลอนคนแล้วแหละนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจําวันนี้ในช anel พระเจอผีฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามคุณผู้ฟังอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะเผื่อมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตสําคัญๆของช่องเราค่ะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะบีเองก็ขอลาไปก่อนสวัสด ดีค่ะ